เมื่อได้นั่งในท่าหรือในอิรยาบทที่เหมาะสมแล้วในครั้งแรกจะต้องพยายามสูรลมหายใจเข้ายาวๆลึกๆหายใจออกช้าๆพร้อมกับตั้งสติคอยกำหนดลมอยู่ที่ปลายจมูกลมสัมผัสตรงไหนให้ตั้งสติไว้ตรงนั้นและให้ตั้งไว้แห่งเดียวไม่ต้องสนใจตามลมเข้าไปข้างในหรือออกมาข้างนอกควรจะพยายามทำอย่างนี้หลายๆครั้งจนกว่าจิตจะสงบ และในระยะแรกนี้ไม่ต้องนึกอะไรเลยเพียงแต่กำหนดดูลมเฉยๆเมื่อใจสงบพอสมควรแล้วจึงค่อยหายใจตามปกติพร้อมกับนึกในใจว่าหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกไปเรื่อยๆพร้อมกับเวลาหายใจเข้าและเวลาหายใจออกจงนึกอยู่แต่อย่างนี้ทั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้ใจไปนึกถึงสิ่งอื่น ถ้าหากใจยังไม่ค่อยสงบยังอดคิดถึงเรื่องต่างๆไม่ได้ก็ให้ใช้วิธีนี้กล่าวคือเมื่อหายใจเข้าไปจนกระทั่งลมหมดแล้วก็จงหยุดกลั้นหายใจสักช่วระยะหนึ่งจงกลั้นให้พอดีคืออยาให้สั้นเกินไปและอย่าให้นานเกินไปเพราะถ้าสั้นเกินไปก็จะใช้ความตั้งใจแต่เพียงเล็กน้อยแล้วจิตก็จะมีโอกาสไปนึกถึงเรื่องอื่นได้ถ้ากลั้นไว้นานเกินไป ก็จะรู้สึกอึดอัดไม่สบายให้สังเกตว่าเรากลั้นลมหายใจไว้นานเท่าไรจึงจะเป็นความพอดีสําหรับตนเองก็ให้กลั้นไว้เพียงนั้นและเวลาหายใจออกเมื่อลมออกมาจนหมดแล้วก็ให้หยุดกลั้นลมหายใจเข้าไว้อย่าเพิ่งหายใจเข้าไปทันทีแต่อย่างไรก็ดีวิธีนี้เป็นวิธีเบื้องต้นสําหรับป้องกันไม่ให้ใจไปนึกถึงเรื่องอื่นต่อไป ในเมื่อใจสงบไม่ค่อยจะคิดถึงเรื่องต่างๆแล้วก็ให้เลือกใช้วิธีกลั้นลมหายใจแต่ให้พยายามกำหนดลมหายใจเข้าและลมหายใจออกให้ติดต่อกันเป็นสายโดยไม่ให้ขาดระยะเงื่อนระหว่างจะเข้ากับออกและเงื่อนระหว่างจะออกกับเข้าจะต้องให้ติดต่อกันในจังหวะที่สม่ำเสมอพร้อมกับรู้สึกตัวตลอดเวลาว่าขณะนี้ลมเข้าขณะนี้ลมออก และพยายามกำหนดให้ถี่กำหนดให้ได้ทุกขณะจิตซึ่งถ้าหากจิตสงบดีแล้วก็จะทำใจให้เป็นสมาธิได้โดยไม่ยากเลยคนไหนถ้าหากพื้นเดิมเป็นคนมีสมาธิดีเป็นคนมีบารมีในเรื่องนี้มาตั้งแต่ชาติก่อนคนประเภทนี้พอกำหนดลมได้ทุกขณะจิตในไม่ช้าจิตก็จะสงบนิ่งนิวรนทั้งห้าจะไม่มีอยู่ในความรู้สึกเลย และพร้อมกันนั้นก็จะมีปิติและสุขเกิดขึ้นในใจถึงแม้จะใช้ความนึกคิดในตอนนี้ความนึกคิดก็มีระเบียบมีสติอยู่กับตัวทุกขณะกล่าวคือจะรู้สึกตัวอยู่ตลอดว่ากำลังนึกคิดอะไรจิตใจแน่วแน่อยู่แต่ในอารมณ์หรือในเรื่องที่กำหนดเอาไว้เท่านั้นความคิดในเรื่องอื่นที่ไม่ได้ตั้งใจเอาไว้ก่อนจะแทรกเข้ามาไม่ได้เลย คำว่านิวร์ไม่ครอบงำหรือไม่มีอยู่ในความรู้สึกในขณะนั้นหมายความว่าขณะที่จิตสงบนี้การฉันทะไม่มีคือในใจจะไม่รู้สึกอยากหรือต้องการอะไรอย่างอื่นความนึกคิดจะไม่แล่นออกไปข้างนอกไปหาอารมณ์ต่างๆที่เคยชอบหรือเคยพอใจพยาบาทไม่มีหมายความว่าในขณะที่ใจสงบนี้ ความขุนเคืองความไม่พอใจหรือความอาฆาตมุ่งร้ายต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะไม่เกิดขึ้นเลยในใจจะเต็มไปด้วยความเมตตากรุณาต่อมนุษย์และสัตว์ทุกท่วนหน้าทีนามิทธะไม่มีหมายความว่าในขณะที่ใจสงบนี้จะไม่รู้สึกขี้เกียจหรือท้อแท้เบื่อหน่ายในใจจะมีแต่ความขยันหรือความเต็มใจในอันที่จะทาสมาธิอยู่เสมอ จิตใจในขณะนี้แจ่มใสและเบิกบานมากอุททัศจะกุบกุจจะจะไม่มีหมายความว่าในขณะที่ใจสงบนี้ไม่มีความฟุ้งซ่านไม่มีความราคาญต่อสิ่งใดๆในใจจะรู้สึกสงบเยือกเย็นปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ วิจิตรฉาไม่มีหมายความว่าไม่สงสัยอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือไม่เกี่ยวก็ตามไม่มีสงสัยถ้าหากจะมีความสงสัยในสิ่งใดก็ตามเกิดขึ้นก็สามารถปัดออกไปได้ง่ายเพียงแต่คิดว่ายังไม่ถึงเวลาไม่ควรจะสงสัยเก็บเอาไว้ก่อนหรือจะคิดว่าจะเป็นอย่างไรก็ช่างหัวมันเพียงแต่คิดเท่านี้ความสงสัยทุกอย่างก็จะหายไปทันที และสำหรับบางคนนอกจากจะไม่สงสัยอะไรแล้วกลับปรากฏว่ามีความเข้าใจในสิ่งต่างๆดีขึ้นโดยลำดับผู้ที่จะฝึกสมาธิให้ได้ผลจะต้องเข้าใจเรื่องนิวรณ์ทั้ง5นี้เป็นอย่างดีแต่เท่าที่อธิบายมานี้เป็นการอธิบายโดยสังเขปเพื่อความสะดวกและเพื่อความเข้าใจง่ายของผู้เริ่มต้น ผู้ที่ต้องการจะศึกษาเรื่องนี้อย่างละเอียดต้องไปอ่านในหนังสือคู่มือการฝึกอานาปนาสติสมาธิซึ่งข้าพเจ้าได้เขียนไว้นานแล้วผู้ที่จะสามารถฝึกสมาธิถึงขั้นหลับในสมาธิได้ครั้งแรกจะต้องปฏิบัติมาตามแนวดังที่กล่าวมานี้ก่อนแต่อย่าลืมว่าต้องมีพื้นฐานตามที่ได้กล่าวมาแล้วแต่สาหรับบุคคลบางคน ซึ่งถึงแม้จะมีพื้นฐานมาดีแต่ถ้าในระยะแรกก็ยังควบคุมจิตใจไม่ได้คืออดฟุ้งซ่านไม่ได้แม้จะพยายามปฏิบัติอย่างไรใจก็ไม่สงบถ้าหากเป็นเช่นนี้ก็ยังมีวิธีอีกอย่างหนึ่งกล่าวคือในเมื่อเรานึกคำว่าหายใจเข้าหายใจออกไม่ได้ผลก็ให้หาคำพูดมาสอนใจตนเองเช่นสอนว่าขณะนี้เป็นเวลาฝึกสมาธิ ไม่ใช่เวลาจะนึกถึงเรื่องอื่นจะนึกสอนใจตัวเองด้วยคาพูดเพียงสั้นๆเท่านี้ก็ได้แต่ถ้าหากใจไม่ยอมสงบก็ให้สอนต่อไปอีกว่าอย่าคิดเรื่องอื่นจงพยายามทําใจให้สงบอย่าคิดเรื่องอื่นจงอยู่กับลมหายใจเข้าออกอย่าคิดเรื่องอื่นจงทําใจให้แน่วแน่อย่างนี้เป็นต้นหรือจะสอนอย่างไรก็ได้ข้อสำคัญจงพยายามหาคาพูดมาสอนใจตนเอง ให้เหมาะกับสภาพของจิตใจในขณะนั้นเหมือนกับเราจะสอนคนอื่นเราก็ควรจะรู้ว่าจะพูดอย่างไรเขาจึงจะเชื่อและทำตามและอีกประการหนึ่งทุกขณะที่กำลังนึกคิดหรือกำลังพูดอยู่ในใจนั้นจะต้องให้มีสติกำกับทุกคำพูดคือรู้สึกตัวตลอดว่าขณะนี้กำลังนึกอะไรกำลังพูดอะไรในใจจะต้องรู้สึกตัวทุกคาทุกพยางและจะต้องหม่นนึกถึงหลักอันนี้ไว้เสมอว่า การฝึกสมาธิก็คือการฝึกเพื่อให้มีสติอยู่กับตัวทุกขณะคำพูดประโยคนี้ต้องหมั่นนึกให้บ่อยที่สุดเคล็ดลับในการฝึกสมาธิอยู่ที่การรู้จักสอนใจตัวเองรู้จักแนะนำตัวเองเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่เข้าใจเรื่องชีวิตดีเข้าใจสภาพแห่งจิตใจของตนเองดีและเข้าใจธรรมะลึกซึง้ง ก็ไม่เป็นการยากที่จะหาคําพูดมาสอนใจตนเองแต่อย่างไรก็ดีเรื่องนี้สําหรับคนทั่วไปไม่ใช่ทําได้ง่ายๆการที่ข้าพเจ้ามีความสามารถสอนให้คนหลับในสมาธิได้สําเร็จมาแล้วหลายคนนั้นหลักสําคัญอยู่ที่การจูงสมาธิหมายความว่าในขณะที่สิทธิ์ของข้าพเจ้ากําลังเข้าสมาธิอยู่นั้นข้าพเจ้าจะพูดอธิบายธรรมะให้ผู้ปฏิบัติ ติดตามคำพูดของข้าพเจ้าให้ได้ทุกคำและค่อยๆจูงผู้ปฏิบัติให้เกิดความเข้าใจในธรรมเกิดความเข้าใจในเรื่องตัวของตัวเองแจ่มแจ้งดีขึ้นโดยลำดับถ้าผู้ปฏิบัติสามารถติดตามคำพูดได้ทุกคำเข้าใจทุกคำและไม่คิดถึงเรื่องอื่นเลยจิตใจจดจ่ออยู่แต่ถ้อยคำที่ได้ยินและมีความรู้สึกโน้มน้อมไปตามข้าพเจ้าพูดทุกอย่างโดยวิธีนี้ ผู้ที่ติดตามได้และมีพื้นมาดีดังที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้นนั้นจะไม่มีรายไหนที่ไม่สำเร็จแต่เพราะเหตุที่เรื่องนี้มีรายละเอียดมากข้าพเจ้าไม่อาจจะเขียนออกมาเป็นตัวหนังสือได้จึงแนะนำมาให้ทราบพอเป็นแนวสังเขตแต่เพียงเท่านี้ก่อน หมายเหตุ head, ผู้อ่านสำหรับท่านที่ต้องการฝึกสมาธินะครับผมแนะนำให้ไปติดตามที่เว็บว m มุติ .net หรือเว็บดัง t ร i n .com หรือดาวน์โหลดเสียงอ่านเสียดายคนตายไม่ได้อ่านเล่มสองซึ่งเป็นคู่มือนภภาวนาจะได้ฝึกสมาธิแบบถูกทางและไม่หลงนะครับการฝึกสมาธิถ้าฝึกผิดก็จะหลงทางได้ง่ายเพราะเป็นการบังคับจิตการบรรลุธรรมเราไม่สามารถบรรลุธรรมได้ด้วยการบังคับจิต ผู้ที่บังคับจิตจนชนานาญก็จะอดเห็นไตร ล, ลักษณ์อดเห็นความเป็นไปของจิตว่าบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนซึ่งรายละเอียดมีอีกมากอยากให้ผู้ที่สนใจจริงๆไปหาอ่านหรือฟังเอาหาได้ที่เว็บรวมเสียงธรรมที่ผมทําไว้เช่นกันนะครับคนส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดนะครับว่าการปฏิบัติธรรมคือการฝึกสมาธิแต่จริงๆแล้วการฝึกสมาธิเป็นแค่รูปแบบหนึ่ง เป็นองค์ประกอบหนึ่งเท่านั้นที่อาจไม่จำเป็นสำหรับทุกคนนะครับการเจริญสติตามแนวสติปฐาน4นั่นคือทางตรงที่พระพุทธองค์ทรงฝากไว้ให้พวกเราอยากให้ลองไปศึกษาดูนะครับมีอีกแนวทางนึงของหลุงพ่อปราโมทปราโมชก็คือการฝึกดูจิต ด, ดูกายซึ่งง่ายมากๆยังไงลองติดตามดูแล้วกันนะครับ การเดินทางผิดแม้เพียงเล็กน้อยบางทีก็ส่งผลเสียหายต่อการปฏิบัติธรรมของท่านได้เช่นเดียวกันอยากให้รอบครอบตรงนี้มากๆนะครับ